ไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าพวกพิกษุณีลำเอียงเพราะชอบพวกพิกษุณีลำเอียงเพราะชังพวกพิกษุณีลำเอียงเพราะหลงและพวกพวกิกษุณีลำเอียงเพราะกลัวบรรดาพกิกษุณีผู้มากน้อยผ่ากันตำหนิประนามพลธนาว่าฉนัยแม่เจ้าจันทากาลีเมื่อถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรหนึ่งแล้วโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าพวกพิกษุณีลำเอียงเพราะชอบ